ที่วัดป่าหวัวตลกวนารามวันที่สามพฤศจิกายนสองพันห้ารอยห้าสิบเก้าเรื่องรู้ไม่ทันสังขารบังรรมโดยหลวงตานรงศักขีนาระโยะคลายออกมาไม่ทำอย่างนี้ก็จะทำอันนั้นอยู่อย่างนั้นนะคะไ้ตัวนีเนะี่ะ ไม่ตัวที่เราพยายามจะช่วยตัวเองครับมันคลายออกมาจากที่เราหลงจิตกับอะไรแล้วก็เราก็พยายามพยายามพยายามที่จะช่วยตัวเองตลอดเวลาทั้งคืนที่จะช่วยเดิน จ, จงกรมไปพยายามจะช่วยตัวเองให้ไม่ไปติดอะไรช่วยตัวเองไม่ให้ไปติดความคิดช่วยตัวเองไม่ให้คิดเพลินไปติดนู่นติดนี้ติดอดีตติดอนาคตติดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ติดถึง คนที่เราลักคนที่เราชังถึงแม้จะเป็นแฟนเก่ามันก็จะปรุงม่วนไปอย่างงั้นแหละปรุงไปวันนี้เราก็ต้องรู้เท่าทาันเป็นธรรมชาติมันต้องรู้เท้าทาันตอนที่มันมันปล่อยมันมันคิดปรุงแต่งไปถึงอดีตถึงอนาคตถึงคนรักเก่าแล้วก็ปรุงเป็นเ ร, เ, รเรื่องนู้นเรื่องนี้ กังวนใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็รู้เต้าทันรูๆๆ้เต้าทันเราก็รู้เท่าทันไปเนด้วยๆแต่ในความรู้เต้าทันเนี่ยเราไม่รู้ตัวอยู่อย่างหนึ่ง น, นะคือว่าเราเอาตัวเราทั้งตัวเนี่ยที่เป็นขันห้าเนี่ยพุ่มไปทั้งตัวเลยไปช่วยตัวเราเอง เ, เอตัวเราทั้งตัวจะเป็นขันห้าเนี่ยจะเป็นสิ่งปุ้งแต่งเนี่ย มันทุ่มไปทุกอย่างเลยที่ไปช่วยตัวเองไม่ให้ไปติดโน่นติดนี่นนไม่หลงไปรนเดี๋ดีไม่ให้ไปเพ้อฝันไปในอนาคตไม่ฟุ้งซ่านไปอนาคตไม่ฟุง้งซานไปไอดีตปัจจุบันเราก็คอยรู้เท่าทันไม่ใมันคิดเป็น่นคิดไป น, น, ไปนี่คิดไปนั่นคิดไปนี่เป็นคนนั้คนคนนี้โดยที่เราเนี่ยลืมไปเลยว่าสติที่รู้เท่าทันกับไปสัมผัจัญญะคือความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นสังขารปรุงแต่ง มันเป็นสังขารคือสิ่งปรุงแต่งที่เราอาศัยในขันห้าเนี่ยอาศัยขันห้าอาศัยสติอาศัยสติคือเป็นความรู้เท่าทันในขันห้าอาศัยสัพชัญญะคือความรู้สึกตัวในขันห้าเนี่ยสติสัพพัญญะมันเป็นสังขารในขันห้าเราอาศัยมันอาศัยสังขารเพื่อละสังขารอาศัยสังขารเพื่อละสังขารคืออาศัยสังขารเนี่ย เพื่อละสังขารสมาธิก็เป็นสังขารในขนันธ์ห้าแะปสิ่งที่เราปรุงแต่งให้ใจเป็นสมาธิเพื่อไม่ให้ใจเนี่ยมันมีความฟุ้งซ่านมีความวุ่นวายมีความเดือดร้อนมีความเล่าร้อนไปกับอดีตกับอนาคตกับปัจจุบันที่เราคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงนี้กังวลเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้ ก็ใจเนี่ยมันไม่หลงคิดไปไม่หลงคุุงแต่งไปถึงอดีตถึงอานาคตแล้วก็ด้วยอำนาจของสติคือความรู้เท่าทันสัพจัญญาคือความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันไม่หลงไม่หลงไปกับความคิดของเราในอดีตบ้างในอนาคตบ้าง ในปัจจุบันบ้างที่หลงไปหาคนนั้นตลอหลงไปคิดถึงคนนั้นที่นี่หลไปกังวลใจเรื่องนั้นหลงไปกังวลใจเรื่อ ง, งนี้ด้วยอํานาจสติคือความรู้เต้าทานและสภพพัญญะคือความรู้สึกตัวเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้เรายังไม่หลงทำให้เราลหราลงไม่อดีตไม่หลงไปในอนาคตไม่หลงในปัจจุบันด้วยความสติกับสัพพัญญะคือรู้สึกตัวอยู่ เรารู้เท่าทันอยู่ในทีพร้อมกันสติสัมปชัญญะมันทำงานป้อมกันนท่าไหร่เดยทั้งรู้สึกตัวทั้งรู้เท่าทันมันทางานอยู่ในทีมันทํางานอยู่ในทีตลอดเวลาเลยมันก็เลยทําให้เราเป็นสมาธิอยู่ได้คือใจไม่ฟุ้งซ่านเมื่อใจไม่ฟุ้งซ่านไม่กัวงวลก็เลยเป็นสมาธิพัก็เลยเป็นสมาธิแต่มันยังเป็นขั้นในสมาธิคือใจสงบเป็นขั้นของสมถะ เป็นสมาธิในขั้นใจสงบในขั้นสมถะเพราะอะไรก็เพราะว่าเวลาสติสัมปชัญญะเราขาดผ่อนกำลังลงเราก็หลงไปกับความคิดปรุงแต่งในอดีตหลงความคิดปรุงแต่งไปในอนาคตปัจจุบันก็คิดไปหาคนนั้นคิดไปหาคนนี้เป็นความทุกข์ใจความกังวลใจความไม่สบายใจเราก็มีสติสัมปชัญญะ ความรู้ตัวรู้เท่าทันมีความรู้สึกตัวขึ้นมาพร้อมกันเราก็หลุดออกจากความหลงคิดปูงแต่งหลุดออจากอารมณ์ที่เราไปพัวพันอารมณ์อารมณ์เขาก็เรียกว่ารูป ก, ก็เรียกว่าลมอารมณ์เป็นรูปปลาลมเสียงก็เป็นอารมณ์เป็นโสตารมกลิ่นก็เป็นอารมณ์กลิ่นก็เป็นอารมณ์รสก็เป็นอารมณ์ หมดตะพระสิ่งมากระถูกกายก็เป็นอารมณ์มันเป็นอารมณ์แล้วก็ธรรมอารมณ์คืออาการของอาการทุกชนิดที่เรบรู้ได้ทางใจไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นความจําได้หมายรู้เป็นความคิดปรุงแต่งหรือเป็นอารมณ์ต่างๆก็ตามที่เราเรียกว่าราคะโทสะโมหะเป็นกิเลสนะพืูดง่ายก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งของใจเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งของใจตัวนี้อารมณ์หมดเลยลูปลดกินเสียง ปฎภะแล้วก็ทำอารมณ์คืออายตนะภายนอกทั้งหมดเราสรุปแล้วคือเป็นอารมณ์ของใจเมื่อใจเราเนี่ยไม่ไปติดไม่ไปปัวพันกับอารมณ์ของใจคืออารมณ์ที่ผ่านมาทังตาทั้งหูทังจมูกทังลิ้นกระใจคือหรูเสียงกินรสปฎิภาแล้วก็ทำอารมณ์คืออาการต่างๆความรู้สึกแนวคิดอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจทุกขณะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอารมณ์ เป็นอารมณ์ของใจเมื่อใจเราเนี่ยไปรู้แล้วไม่ไม่ไปไม่ไปปั่วพันุ์มันก็ทําให้ใจเป็นสมาธิใจเป็นสมาธิก็เพราะว่าด้วยอํานาจของสติคือมีความรู้เตาทานมีความคุ้มครองรักษารักษาใจอยู่สับวัชย์ญ่ามีความรู้สึกตัวอยู่มันก็เลยใจมันก็เลยได้แต่รู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รส รู้สัตภาวะสิ่งที่เราสะทัดกายแล้วก็รู้ธรรมอารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดเรื่องราวต่างๆที่เราคิดไปแต่มันไม่มาผัวพันใจสิ่งเหล่านั้นน่ะอารมณ์เหล่านั้นน่ะมันไม่มาผัวพันใจสิที่ไม่บัวพันใจก็เพราะว่ า, วามีสติกับปัญญะคือความรู้สึกตัวไว้มีความรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้สิ่งเหล่านั้นก็เลยไม่มาผัวพันใจแต่มันยังเป็นในขั้นสมถะเราคือว่า มันขาดความรู้สึกตัวเมื่อไหรขาดสติเมื่อไหรรูปรดกีนเสียงสัมผัสโดยเฉพาะทำอารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆมันกลัวผันใจนะทำมาวัวผันใจมันจึงต้องอาศัยในสติสัมปชัญญะดูความรู้สึกโดมไว้ตลอดเวลามันจึงยังเป็นแค่พันสมถะสติสัมปชัญญะขาดเมื่อไหรอารมณ์ที่มากระทบ ต่างตาอูจมูกวิ่งกายใจในปัจจุบันในขณะปัจจุบันจะเข้าบครัวผัใจมีอำนาจเหนือใจมีกลายเป็นว่ามันมีค่ามีความสําคัญมีความหมายต่อจิตใจทำให้จิตใจเราเนี่ยฟุ้งร้างแล้วก็เคลิบเคลไปตามอารมณ์ที่มากระทบในปัจจุบันนั้นนั่นบาทีก็ฟุ้งร้านเพราะความไม่พอใจเปิดความฟุ้งร้างเพราะความไม่พอใจคุณกินรับทานใจต่อสิ่งที่มากระทบ แต่บางทีก็หลงพุ่งสร้างคิตพุ่งแต่งไปเลยจิตพุ่งแต่งไปถึงความรักความชังถึงเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องความบ่วงใยความรักใครความกังวลใจต่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ตัวนั้นตัวนี้ช่วยเขาคิดคิดแทนเขาช่วยเขาคิดคิดแทนเขายุ่งเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยวันเลยทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันหาความสงบไม่ได้มันเลยพุ่งสร้างมันพุ่งสร้างเรารู้เท่าทัน รู้เท่าทันมันก็เลยส ง, งบลงมารู้เท่าทันก็เลยส ง, งบลงมารู้เท่าทันก็เลยส ง, งบลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยพูกอย่างเนี้ยจะเป็นความชํานาญแต่ทิ้งสติกับปัญญาคือความรู้สึกตัวไม่ได้ทิ้งเมื่อไหร่ก็หลงทันทีขาดเมื่อไหร่หลงทันทีเสี้ยวนาทีเดียวที่ขาดหลงเลยหลงไปคิดปรุงแต่งเสี่ยวนี้ขาดก็หลงไปคิดปรุงแต่งทําให้กิเลสตัณหาเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ทอารมณ์ในขณะปัจจุบันนะเข้ามาบวพันใจได้เรียกว่ามีกิเลสเป็นกิเลสตัณหาต้องพอใจไม่พอใจดิ้นรนทยานอยากติดใจเล่าร้อนก็เสื่อมกระสนไม่มีความสงบได้เรียกว่าเป็นตัณหาทะยานดิ้นรนทยานอยากตามวามอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นสิ่งใดที่ชอบใจก็อยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นสิ่งใดไม่ชอบใจก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ ไมอยากให้มันเกิดอย่างนั้นไม่อยากให้มันเกิดอย่างนี้ไม่อยากให้มันคนที่รักต้องตายจากไปไม่อยากให้สิ่งที่รักก็สูญเสียไปไม่อยากให้เกิดความพัดผ้าไม่อยากให้เกิดความไม่สมหวังไม่สมปรารถนาไม่ไม่อยากให้เกิดความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจอยากจะให้มีแต่เป็นสิ่งที่รักที่พอใจอยากให้มีแต่ความสมหวังสมปรารถนา ก็อยากให้มีความแก่ความเจ็บความตายไม่อยากให้มีการพัดพาดจากกันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกิเลสตัณหาทาให้ทุกใจเล่าร้อนใจไม่ใจไม่ใจเราต้องอาศัยสมถะนี่แหละสมถะคือสติปัญญาเหรือสติสัพพัญญาในขั้นของสมถะคอยรู้สึกตัวไว้คอยรู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวไว้รักษาใจไว้สติรักษาใจไว้คอรู้สึกตัวไว้คอยรู้สึกตัวไว้ถ้าเมื่อไรไม่รู้สึกตัวก็ พุร้างเล่าร้อนเปนตามอารมณ์ต่างๆที่มากระทบในปัจจุบันแต่พอตัดขาดความรู้สึกตัวขาดก็ไปไปนี่กือจึงเรียกว่าส ม, มะถะคือส ม, มะถะต้องรักษาไว้ตลอดเวลายังไม่ได้ปล่อยวางแต่ขั้นวิปัสสนาคือมันมันปล่อยวางขั้นที่สูงขึ้นไปเห็นแล้เห็นที่ว่าเอฟุกเดินจงกรมอยู่แล้วคือมันทําได้แต่ขั้นเนี้ยขั้นส ม, มะถะ ทำได้แต่ขั้นสมถะก็หน่อยอก็ไม่ใช่เลยทําได้แต่ขั้นสมถะแต่อย่างมันไม่มีปัญญาสติปัญญาที่เข้าถึงขั้นปล่อยวางขั้นวิปัสนาขั้นสูงคือขั้นวิปัสนาขั้นสูงก็คือในขณะที่เราเนี่ยมีความรู้สึกตัวอาศัยสติคือเท่าทานรู้สึกตัวอยู่อาศัยสัพพัญญาคือความรู้สึกตัวเนี่ยสติคือความรู้สึกตัว รู้เท่าทันเมื่อมีเกิดการหลงขึ้นมาในแต่ละขณะก็รู้สึกตัวขึ้นมาสัพชัญญาคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไวควา ม, มรู้สึกตัวทั่วพร้อมไวแม่งมันหลง ค, คอยรักษากัรตื่นสติธรรมชาติให้มันช่วยกันคือถ้าเรามีความรู้สึกตัวอยู่มันก็จะไม่หลงถ้าหลงไปก็ต้องอาศัยสติรู้เท่าทันขึ้นมาให้รู้สึกตัวขึ้นมามันก็จะขาดถ่า ย, า, ยายจากความหลงมาเป็นความสงบแต่เดี๋ยวก็หลงอีกละ่ะแต่เมื่อขาด ที่ปัชนากรรมฐานเนี่ยขั้นรู้เห็นตามความเป็นจริงมันก็เลยต้องรักษาตัวเองไว้ตลอดสติและสัปพัญญะคือความรู้สึกตัวเนี่ยมันมีไว้เลยกลายเป็นเพื่อว่าจะมารักษาตัวเราเองไอ้ตัวเนี้ยมันก็เลยมาฆ่าตัวเราเองไปอีกคือมันมันได้แต่ทําให้มีความสงบใจแต่ต้องคอยรักษาตัวเราเองมันทําให้เราเลยต้องเป็นทุกข์ เพราะเรามันยังมีปัญญาไม่เข้าใจถึงว่าตัวเราเองมันไม่เนี่ยมันไม่มีเราไม่มีตัวตนตัวตนของเราไม่มีมันมีแต่ความปรุงแตง่งปรุงแตง่งปรุงแตง่งทุกอย่างมีแต่ความปรุงแตง่งสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราขันท่าทั้งหมดเป็นสิ่งปรุงแตง่งร่างกายเป็นสิ่งปรุงแตง่งแล้วก็ว่า เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นามขันเนี่ยเป็นสิ่งปรุงแต่งร่างกายเนี่ยเป็นรูปเป็นสิ่งปรุงแต่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นนามธรรมาเป็นสิ่งปรุงแต่งสรุปแล้วร่างกายจิตใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติฝ่ายปรุงแต่งที่ประกอบกขึ้นขึ้นมาด้วยธาตุห้าธาตุคือธาตุที่เป็นของแข็งที่ประกอบกันมาก็คือธาตุดินธาตุดินเริ่มแรกเลยก็มาจากสเปิร์มของพ่อ ผสมพันธ์กับแม่ก็เป็นธาตน้ําไข่เป็นไข่กระเพิ่มก็ทาตดินก็ไหวเข้ามาเจาะไข่เป็นธาตน้ําของแม่เนี่ยไข่มันเป็นวุ้นอะแกล้เป็นวุ้นมันไม่ได้เหมือนไข่ไก่ที่เปลือกมันแข็งครับมันเป็นวุ้นนี่ธาดดินก็ไหวเข้ามาเนี่ยไหวเข้ามาแล้วกผสมกับธาตุน้ำนี่เริ่มแรกเลยธาตดินกับธาตุน้ำแล้วผสมกันแล้วแม่ก็หายใจเอาลมหายใจก็ไปออกซิเจนเข้าไปสัญดาห์ หาใจเอาลมหายใจก็ไปพัดโบกออกซิเจนเข้าไปโบกให้ไฟมันติดเอาธาตไฟก็ไปจุดเที่ยวเที่ยวเขา้าโจกระทับให้สเปิร์มกับไข่ที่มันผสมพันธุ์กันนะแล้วเอาเอาลมไปเป่าออกซิเจนเข้าไปช่วยเติมเชื้อเอาไฟเข้าไปจุดเอาไปสันดามแล้วก็เกที่ยวโจกระทัง ทิธีที่ผสมพันธ์กันค่อยๆกลายเป็นดยดเลือดอเพราะว่าเท่ากับเริ่มมาจากไอพระเจ้าท่านว่านะพระเจ้าอกัสว่าขนาดหยดนเล็กขนาดเอาเหญ้าจุกน้ำํำลายหญ้าจุกน้ําแล้วมาสลัดเีย็ครั้งเหลือแต่เหลือไอที่ไอ้ยดน้ำที่มันติดดินปลายยอดอะไรนะไอน่ ะ, นะหนหนะเล็กขค่ดานนั้นน่ะนะ เราเริ่มต้นมาเนี่ยเนี่ยคือร่างกายที่ประกอบด้วยธาตดินที่เป็นของแข็งธาต น, น้ําเป็นของเหลวธาตุลมอากาศออกซิเจนเข้าไปของโปกเป็นเชื้อไฟแล้วก็ธาตุไฟ้ะแนนเริ่มไม่ได้แน่สี่ธาตุดินน้ำลมไฟเอาประกอบเป็นร่างกายเอามาประกอบเป็นร่างกาย จนก้อนเลือดเนี่ยมันโตมากแล้วพอต้องควแล้วเราก็ไม่รู้หรอกขนาดไหนพอตะองควขนาดไหนที่บุตเจ้าท่า น, นตัไว้เป็นข้าพเจ้าไปตัดไว้ก็ไม่รู้หรอกตอนหลังมันมีวิทย า, าศาสตร์เจริญขึ้นเราก็มาชอบดูจากไอ่ยูทูปนี่แ น, น่เพื่อความไม่เข้าใจไม่รู้นั่นก็เลยเป็นหนวิชาหน้าวิชาว่าเรานี่มาจากไหนก็เหมือนมาจากไหนมาจากผสมมาจากการผสมกัน มาันจะ ก, การประสมของธาตุตัวเราไม่มีหรอกตัวเราจริงๆมันมีบ า, า, ารยากาศผสมเม่ที่เราไปนั่งมานั่งยกมือไหว้แต่นั่งชนมือเนี่ยร่างกายเนี่ยมันมาจากมันจับมาจากผสมของธาตุดินน้ําลมไปมาจาับ ก, การผสมของตัวเปลอมกับไข่มาจักตัวเปลอมธาตุดินไข่ก็คือเป็นปุ๋น้ําบุ๋ยน้ําเำดิเลว่ในไข่ไงผสมก็ตั้งแต่ดินกับน้ําเริ่มต้นมานนแน่นแล้วก็เเอาลมเข้าไปพัดโบกเอาเอาเย็นเข้าไปเอาไฟเข้าไป ไปก็ไปเติมสิได้ที่น้ําลงไปแค่นั้นแหละมันก็เป็นก้อนเลือดโตขึ้นมาเรื่อยๆโตขึ้นมาเรืนมันโตมาได้ได้ที่แล้วเนี่ยตอนนั้นมันยังไม่มีเลยตาหูจมูกลิ้นต่างกายเนยังไม่มีตาโป่งไม่มีหูไม่มีจมูกไม่มีได้ลิ้นไม่มีไม่มีไอ้จิตใจหรอมันยังไม่มีมันมีแค่ก้อนเลือดแล้วก็งอกออกมาเป็นตาหูค่อยๆก้อนเลือดจะมันโตขึ้นแล้วงอกขึ้นนี่เราพี่น้าดีมันมีแต่มันมีแต่ก้อน่าต ก้อนธาตุผสมมาอย่างไรก้อธาตุเราผสมงไพสมงไพอมันได้ประสมได้ที่เสร็จแล้วก็มันยังไม่มีเลยเนี่ยเนี่ยไอ้อายันะยังไม่มาครบเลยอตาหูจมูกลิน้นเนี่ยไอ้ร่างกายเนียมันยังไม่สมบูรณ์ร้อยเปร์เ็นเลยนั่นแหละ ไ, ไอ้ธาตุวิญญาณธาตุเรียกวิญญาณธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้ที่มันเป็นความว่างเปล่าวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้ที่เป็นมีแต่ความว่าเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของธรรมชาติของจักรวาล มันไม่มีตัวตนหรอกวิญญาณไม่ได้แปลว่าผีแต่ชาวบ้านก็จะแปแปลว่าวิญญาณนี่ยมันแปลว่าผีมีตัวมีตนแต่วิญญาณจริงๆมันเป็นวิญญาณธาตุมันคือธาตุว่างแต่มันมีความรู้ธาตุว่างเนี่ยมันเขาเรียกว่าธาตรู้วิญญาณธาตุวิญญาณแปลภาษาเอาไว้แปลว่ารู้วิญญาณแปลว่ารู้วิญญาณธาตุคือธาตรู้คุณสมบัติของธาตรู้คือรู้แต่มันมีความว่างเปล่าคุณสมบัติของดินก็คือแข็ง คุณสมบัติของน้ําก็คือเหลวคุณสมบัติของลมก็พัดโบกคุณสมบัติของอากาศก็เป็นออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยแล้วก็คุณสมบัติของเอ่ดินน้ํำลมไฟไฟก็ร้อนอบอุ่นแล้วคุณสมบัติของรู้ธาตรู้ก็ว่างว้างเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของจักรวาลเป็นความกว้างเดียวกับธรรมชาตินี่ก็รวมแล้วเนี่ยวิญญาณวิญญาณก็เป็นธาตรู้เป็นความกว้าง ความว่างที่มีแต่ความรู้ความรู้ที่มีแต่ความว่างก็เข้ามาผสมกับ น, น้ำลงไปพอหทาธาตุเนี่ยผสมกันมันจึงมีนามรูปมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาและก็มีร่างกายเต็มร0 0ซจึงเรียกว่ามีนามก่อนนะนา ม, มาสมบูรณ์ก่อนคือมีชีวิตจิตใจก่อนเป็นชีวิตจิตใจเกิดขึ้นก่อนแล้วรูปเนี่ยคอยเกิดมาเต็มร0อเเ ตาหูจมูลิ่นกายใจมีตัวสมบูรณ์วิตาหูจมูลินกายใจมีตัวสมบูรณ์ร0อยเปอร์เซ็นมันจะคลอดออกม า, นะาได้เพราะนัถ้าไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เต็ม 100% เอร์เ็นออกมามันก็เป็นเด็กพิกลพิการตายวนใหญ่แท้งตายเพราะในตัวนตวนจริงๆมันจึงหาไม่มีมีแต่าธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุลมาธาตุไฟแล้วก็าธาตุรู้ที่ว่างเปล่ามาประกอบกันที่เป็นชีวิตจิตใจคือเป็นเนี่ย เป็นพวกตัวเรานี่เนี่ยทีร่างกายมีจิตใจที่ดีกว่ารู้สึกมีจิตมอารมณ์มีการจําได้หมายรู้มีการ ร, ารับรู้ต่างตาหูจมูกจิตใจมันก็เลยเนี่ยมา ม, มีเป็นมเนมืเกิดมาเนี่ยเป็นเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสมบุติขึ้นมาเออเมื่อเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าตัวตนของเราจริงๆเนี่ยตัวตนของเราจริงๆไม่มี ไอ้ที่มันประสมกันเป็นขันห้าคือเป็นรูปเป็นเวทนาสัญญาตั้งขานวิญญาณในที่ประกอบขึ้นเป็นร่างกายที่มีชีวิต จ, จิตใจเนี่ยขันห้าเนี่ยมันมาจากธาตุะสมกันห้าธาตุหรือหกธาตุกันส่วนถ้ารวมอากาศด้วยก็หกธาตุถ้าไม่รวมอากาศก็เป็นห้าธาตุดินน้ำลมไฟแล้วก็ธาตุรู้วิญญาณธาตุถ้ารวมอากาศด้วยก็เป็นหกธาตุเพราะฉะนั้นหกธาตุมันรวมกันมันจึงเป็นขันห้าที่มีชีวิตจิตใจตัวตนมันไม่มีหรอกตัวเราไม่มีมีแต่เป็นธาตุธาตุแล้วมันรวมก็เป็นขัน พอไปรวมกันไปขันท่าขันท่าเสร็จแล้วก็มีอายาตะตนะเรียกว่าอายะตระภายในก็คือมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีมีกายแล้วก็มีประตูใจขึ้นมาเต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ร้อยเปรเซ็นเรียกว่าอายาตนะภายนอกกับภายในอายะตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ประตูใจประตูใจประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกาย ประตูใจเนี่ยมันก็ยังก็ยังทิ้งเถียงกันอยู่นะไม่ทราบว่ามันอยู่ที่ไหนประตูใจบางทีเขก็ว่ามันอยู่ที่ระบบประสาทสมองบางท่านก็บอกว่าประตูใจมันอยู่ที่อัฐิวัตถุคืออัฐิยางหัวใจคือไอ้ไอ้ไอที่เป็นหัวใจเนื้อนี่แหละแล้วก็มันอยู่ที่ขั้วหัวใจมันตรงไหนก็ไม่รู้อะเราก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยแต่ก็อ่านเอาจากหนังสือก็ว่า ประตูใจเนี่ยมันอยู่ที่ไม่ระบบสมองประสาสมองก็มันอยู่ที่อาัฐิวัตถุก็คือวัตถุก็คือหัวใจอะหัวใจเนื้อเนี่ยแต่มันอยู่ที่ขั้วหัวใจคือสรุปแล้วอะไอพวกอันนี้มันติดกับร่างกายหมดอะประตูตาหูจตียูลิ้นกายกับประตูใจเนี the er ่ยมันติดกับกายทั้งหมดมันติดกับร่างกายทั้งหมดแล้วก็เออก็เลยเริ่มมีแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาเราให้รู้จักภาษาตัวหน่อยต่องตาสมมติก็คืออาญตนะภายใน ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ประตูใจเป็นอาญาตระนัภายในบันติดกับร่างกายส่วนขันห้ามันก็มีรูปก็คือร่างกายส่วนเวทนานก็คือความรูส้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ทุกกายสุกใจทุกกายทุกใจสบายกายสบายใจไม่สบายกา ย, ายไม่สบายใ จ, ยใจแล้วก็ปิดกลางกลางเขาเรียกวเวทนาเรียกวเวทนา มันสัญญาก็คือความจําได้ไหมดูเอสังขารก็คือความคิดปรุงปุงคิดคิดปรุงแต่งเอาขันห้าไปคิดปรุงได้ไปปรุงไปกิเลสตัณหาต่างๆก็ได้เนี่ยคือมันปรุงไว้ได้แต่ลพัตตปรุงเป็นตัวเป็นตนก็ได้ปรุงเป็นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแล้วก็ปรุงไปยึดนั่นยึดนี่คือปรุงเป็นเราเป็นตัวซะก่อนเนี่ยไอ้ปัญหาก็คือตัวนี้ไงไอ้ตัวปรุงนี่เนี่ยเอาเอาขันห้าไปปรุงเนี่ยมันปรุงผิดมันปรุงเป็นเอาวิชาคือ มาปุงเราเป็นตัวเป็นตนมีตัวมีนตนมีตัวเรามีตัวตนของเราแล้วก็เอาตัวเราเนี่ยไปยึดสารพัดจะยึ ด, ย, ดยึดอะไรยึดอะไรก็ไปยึดอายะตนะภายนอกอายะตนะภายนอกอะไรก็รลูปในสิ่งที่ตาเราเห็นทั้งหมดเนี่ยยึดสามีภรรยาลูกเมียลูกหลานเลนรนสมปัดิพตฒฐานตําแหน่งลาบยศพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ตาเห็นมันเป็นของภายนอกที่ดินที่เดินเนี่ยเนี่ยไปยึดหมดเลยะ ยึดิ่ที่ตาเห็นยึดสิิงที่หูได้ยินเขาด่าเขาว่ามาถูกใจต้องไปถูกใจมองชมเชยก็ชื่นใจพอเขาด่าว่าติดินนินทาว่าร้ายก็โกรธเศร้าเนี่ยนะยึดหมดยึดทั้งรูปยึดทั้งเสียงยึดทั้งกลิ่นอีกอืแล้วก็ยึดทั้งรถด้วยรถถูกใจไม่ถูกใจรถถูกใจก็เป็นสุขเวทนาลถไม่ถูกใจก็เป็นทุกขเวทนาแล้วก็เป็นกลางยึดตั้งสิ่ที่มาสัมผัสกายเย็นร้อนอ่อนแข็งนุ่ม สบายไม่สบายก็ยึดอีกยึดแต่ความสบายพูดงอ่ายอันไหนไม่สบายเกลียดโมโหมมดหิดที่โดนฝาดใส่และที่สุดก็หลายกาดที่สุดก็คือจะยึดทรมันหล่นประตูใจนี่หลายกาดที่สุดคือมันเอาขันห้าเนี่ยซึ่งเป็นความปรุงแต่งเนี่ยสิ่งปรุงแต่งกันเขาเรียกว่าสิ่งปรุงแตง่ ง, ง, แตงคือสิ่งที่มันผสมแล้วก็ปรุงแต่งกันมาเป็นมาเป็นขันห้ามาเป็นชีวิตจิตใจอ่ะมาเป็นร่างกายที่มีชีวิตจิตใจ มาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ในสารทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกมีขันห้ามีพวกหมูหมากาไก่พนีหมูหานาคาไก่นกเลรนบินตัวเนี่ยมีขันห้าเขาปรุงแต่งให้มีชีวิตชีวายแต่มีรูปร่างต่างกันไปเรียกว่าคนเรียกว่าสัตว์เรียกว่าหมูเรียกม้าเรียกกาเรียกไก่เรียกวัวเรียกควายเลยเรช้างม้าอะไรเนี่ยก็คือพวกนี้มันไปก่อนามสมุติเรียกแมลงต่างๆเรียกนอนเรียกแมลงเแล้วแต่ว่าเราจะเรียกชื่ออะไรกันให้มันเข้าใจกันสื่อสารให้เข้าใจเรียกว่าสมมุติอัปชื่อสมมติแต่จริงๆก็คือ มันมาจากธาตุะสมกันดินน้ำลมไฟแล้วก็ธาตุรู้วิญญาณธ า, าตุธาตธาตุแต่ถ้าวรวมกับอากาศด้วยก็เป็นหกธาตุมันเอามาประสมรวมกันเป็นขาจริงเรียกว่าสังขารแต่ว่าสิ่งปรุงแต่งมันเอามาปรปุงแต่งรวมกันเออแต่ที่พอมันปรุงแต่งรวมกันนะเราก็ไม่เข้าใจเราก็ไปยึดปรุงแต่งเอาสังขารขันเนี่ยพอความปรุงแต่งเนี่ย ปรุงแต่งเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราว่าเรามีตัวมีตนจริงๆอย่างจางแล้วเราก็าไปยึดอายตนะภายนอกเออไปยึดรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาตัดขาดกายถ้าถูกใจก็ชอบอยากได้อยากเอาอยากเสพอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้น อ, ยน อ, ยนอยากให้มันอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่พัดผ้าสิ่งใดไม่ถูกใจไม่ชอบใจก็ดิ่นโลนผัดใส่ลังเกลิดหุดหงิดลำคาญ อยากจะหนีไปพ้นอยากจะทําลายจะด่าอยากจะว่าอยากจะติกินดินทาว่าร้ายนี่คือไม่พอใจไม่พอใจแล้วก็อันไหนที่มันไม่ถูกใจก็ไม่ไม่ไม่อยากได้ไม่อยากเอาไม่อยากเป็นแต่อันไหนถูกใจอยากได้อยากเอาอยากเป็นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหานิ้นรไปตามกิเลสที่ตัวเองอ่ะอยากได้อยากเอาอยากเป็นไม่อยากได้ไม่อยากเอาไม่อยากเป็น มันก็เลยเป็นทุก์เี่ยไอ้ตัวเนี้ยเราเลยต้องมีสติตั ว, ต ว, ตวรู้เท่าทานแั่ปัญ ญ, ญ, ญาคือความรู้สึกตัวคอยรู้สึกตัวคอยรู้เท่าทานอะไว้ไม่ให้มันหลงไปตามกิเลสทางตาหูจมูกลิ้นจายแล้วก็ท้าประตูใจอย่ามีรักชั่วชังเกียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังเกียดทุกข์รักสุขอย่างเนี้ยมันเอาตัวไม่รอดมันก็เลยทําให้ทุกข์หนอทุกข์หนอเนี่ยมันจึงต้องอาศัยสมถะคือให้ใจมาสงบในขั้นของสมทถะ และมีกําลังคือปัญญาเพี่นายเห็นอย่างที่ลุงตาพูดเนี่ยให้มันชัดเจนว่าตัวตนของเราไม่มีจริงๆมันมาจากมันมาจากธาตุผสมกันจากความที่เป็นกิเลสตัณหาของพ่อกับแม่ผสมพันก so ันแล้วก็สเปิร์มของไข่มาผสมพันธกันตัวตนของเราจริงๆไม่มีแล้วก็พอเราตัวตนไม่มีเราก็ไม่มีตัวไอขันห้าก็ไม่ใช่ตัวเราเป็นเป็นจุ๊งแตงชาตุก็มาผสมกันก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรา ผสมกันเป็นขันห้าก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราพอสมกัน5แล้วก็มีตาหูจมูกนิ้นกายและประตูใจมีอายตละภายในขึ้นมาก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราแต่การทํางานที่ประจําวันมันต้องอาศัยธาตุกับขันและอายนะคมาทํางานสัมพันธ์รวมกันทําให้เกิดการรับรู้สื่อสารเข้าใจกันได้แต่ไม่ใช่ว่าให้ยึดกันแต่รับรู้สื่อสารตามความเข้าใจได้ไม่ให้ยึดกันมันก็จะไม่ทุกข์ไม่ไม่เข้าใจที่ไม่มีปัญญาเข้าใจกันดุเดือยึดยึดยึดยึดจะทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ ที่มีปัญญาเข้าใจว่าเราตัวตนของเราไม่มีเราไม่มีตัวตนมันก็เลยไม่มีตัวเราเนี่ยไปปรุงแต่งเอาขันห้าเนี่ยมาปรุงแต่งว่าเรามีตัวตนมีตัวตนของเราจริงๆยังจังแล้วเอาตัวเราจะยไปยึดอะไรจริงียังจางเลยตอนนี้ก็เลยเป็นแต่ความทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์อยู่นั่นแหละเมื่อตัวเราไม่มี้ไม่มีตัวตนของเรามีแต่สังขารสังขารสังขารทั้งนั้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสังขารทั้งนั้นคือมีแต่สังขารเท่านั้นนที่เกกิดดขึ้้แลว็ัับไปสงารนั้นที่เกิดขึ้น้ดดััััับไปปสงงารททหมมมเเเนนนนี่ยกกิ็ุ มันเป็นนจจังมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ก็มีสภาพหยคพันธ์ที่มันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นตัวเราไม่ใช่เป็นตัวตนของเรามันสิ่งเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งตัวตนของเราไม่มีมันมาจากธาตุสารผสมกันตอนเนี้ยเมื่อเราเข้าใจตรงเนี้ยเออมันก็เลยไม่มีตัวเราเนี่ยไปยึดอะไร มันเลยไม่มีตัวเราไปยึดอะไรมันก็เลยมีแต่สังขารที่เกิดขึ้นสังขารที่ดับไปสังขารที่เกิดขึ้นสังขารที่ดับไปไม่มีตัวเราหลงมาเป็นสังขารและไม่หลงยึดเอาสังขารเป็นตัวเราและไม่มีเอาไม่หลงเอาให้สังขารในกายน้ำมาปรุงเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราขาไว้ตัวเราจะไม่มีจึงมีแต่สังขารสังขารที่เกิดขึ้นดันั้นจึงบอกว่าไอ้สติ ความรู้ต่อทันก็เป็นสังขารสรรพัญญะความรู้สึกตัวก็เป็นสังขารตัวปัญญาที่มาใช้ในการทําความเข้าใจเนี่ยมันก็เป็นสังขารอาศัยสังขารเพื่อละสังขารอาศัยสังขารเพื่อละสังขารไม่ใช่ว่ายึดสังขารจริงๆอาศัยสังขารเนี่ยสติสมาธิปัญญาความรู้สึกตัวในขั้นสมถะในขั้นสมถะครับเพื่อเพื่อไม่ให้หลงไปติดกับอะไรใจมันก็สงบสงบเสร็จแล้วก็มีปัญญาที่นายเห็นความจริงว่าตัวตนของเราไม่มี มีแต่ธาตุรู้ที่เป็นความว่างแล้วไม่เข้าไปติดอะไรไม่ยึดอะไรได้ธาตุรู้มนเป็นความว่างยึดอะไรไม่ได้ติดอะไรไม่ได้ปรุงแต่งอะไรไม่ได้มันได้แต่ดูความปรุงแต่งเห็นความปรุงแต่งแต่ไม่ยึดความปรุงแต่งม่ยึดทั้งความปรุงแต่งม่ยึดทั้งสังขารและไม่ยึดทั้งตัวมันเองคือธาตุรู้ที่เป็นความว่างว่าผู้รู้เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเห็นว่าไอ้ผู้รู้นั้นเป็นธาตุรู้เป็นความว่าง ที่เราปรุงแต่งเอาสังขารขานในขหน้าปรุงแต่งว่าไอ้ธาตุรู้เนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันต้องเอาขานหน้าความปรุแต่งในขันหน้ามาปรุงแต่งผิดเป็นอวิชามันยึดสังขารเสร็จไม่ยึดสังขารก็มายึดเอาไอ้วิสังขารคือคือธาตุรู้เนี่ยก็เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเรามันเลยไม่ได้เป็นรู้ที่เป็นธรรมชาติที่ได้แต่รู้ที่มันยึดอะไรไม่ได้มันจะไปรักกันไว้ได้ไปช่างกันไ้ได้ยิดถึงอะไรก็ไม่ได้มันเลย เหลือแต่รู้เหลอแต่รู้เหลือแต่รู้อยู่กับรู้ที่สิ้นหลงสิ้นยึดนั่นแหละก็เรียกว่าพุทธะอยู่กับรู้ที่สิ้นหลงสิ้นยึดนั่นแหละเออเรียกว่าพอเรารู้อย่างเงี้ยไอสังขารทั้งหลายหรือกขหน้าทั้งหลายก็ไม่เอาสายมาบังทำทำไมเงี้ยมันก็เอาไอขันห้าหรือสังขารเนี่ยาบังทำหมดรู้ไม่ทันขันบังทำหรือรู้ไม่ทันเนี่ยสังขารบังทำรู้ไม่ทันสังขารมันบังทำหมดก็คือมีแต่สังขารหรือทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้น มีแต่สังขารหรือทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่สังขารหรือทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากสังขารและทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปไม่มีอะไรอะไรที่เป็นราเป็นตัวราเป็น ต, ตัวตนของเราที่จะไปยึดมั่นหรือมั่นอะไรได้สงสัยอะไรอ๋อเจ้าค่ะมีอยู่วันหนึ่งก่อนหน้านี้เห็ุเคยเห็นว่า ถ้าเราตั้งใจหรือมีจงใจอะไรนิดหนึ่งตรงเนี้ยมันมีน้ำหนักตรงไห น, นตรงนี้ปีอะเหรอตรงตรงใจนะ่ะมันมีน้ำหนักแต่จมาก น, นั้นมามันปล่อยเหมือนกับมันไม่ไม่ใช่คนปฏิบัติมันคือคนทั่วไปที่เพียงแต่ว่าถ้าถ้าอะไรปกตินะ่ะอยู่นอกตรงนี้ยังปกติอยู่ยังว่างอยู่มันก็เหมือนธรรมดาแต่ถ้าเมื่อไหร่ทะลุเข้ามานะ มันก็จะมีสติมารู้แล้วรู้ว่าเอาหลงไปอินอินกับเรื่องไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้แต่มันมันมันเหมือนกับพอดีเมืเช้าหลงตาพูดว่ามันต้องรักษาถ้าเกิดเป็นสมถะมันต้องรักษาเท่ากับว่าอย่างเงี้ยบางทีหนูยังนึกว่าเออเราปล่อยปล่อยมากคือพวกอย่างปล่อยปล่อยเหมือนกับว่าไม่ไม่เหมือนสมัยก่อนที่มันมันดูจะตั้งใจอย่างเงี้ย ก็คืออยู่อย่างนี้ไปนะเจ้าค่ะปล่อยแล้วอยู่ก็รู้ไหมลนะ่ะคือปล่อยหมดเลยแต่มายถึงว่ารู้ไหมว่าสิ้นหลงแล้วมันไปยึดอะไรนะเพราขนาปัจจุบันไม่ยึดอะไรไไนีม่น ม, มันยังมีมายึดเจ้าค่ะมันยังมีบางขณะที่ที่หลงแล้วเข้าไปเกิด<ม>เป็นตัวตนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่ยึดนะมันมันรู้รู้นั้นมันเป็นหนึ่งเดียวกับอากาศอย่างงี้มันจะทุกตัวมันจะมามันจะไม่มาแตก มันกับว่ามันมันไม่มาสัมผัสเจ้าค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันเหมือนกับไอ้ไอ่อะไรนะไอ่ไอ้เครื่องรถยนต์่ะเครื่องรถยนต์เวลาพอมันไม่มีอะไรมาแตกไอ้อาจารย์จ่ายมั้ยไม่มีมันก็เครื่องมันก็ไม่ทํางานพอมีอะไรมาแตกปุ๊บเครื่องมันทางานก็คือมันไปปรุงแตกเครื่องปรุงแตกเครื่องยนต์รถยนต์ทำงานได้ก็มันก็มันปรุงแตกงอะถ้ามีอะไรไปแตะให้มันควบวงจรปุ๊บมันก็มันก็ เอ้มันปรุงแต่งเลยมันก็พรุงแต่แล้วก็หลงไปตามปุงแต่งไงเครื่องยนต์ก็หมุนจิ๋วจิ๋วจิ๋วไปเนี่ยคือไอ้ที่เครื่องยนต์หมุนนี่คือปฏิจจสมุปบาทคือเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่รอบของการเป็นไร้ตายเกิดในขนาดจิตนั้นเลยคือเกิดวิญญาณเป็นตัวเป็นตนขึ้นในขณะนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่เนี่ยใจเราเนี่ยไม่ไปแตะอะไรได้แต่รู้รู้ลูกรู้เสียงรู้กินรู้รสรู้สัมผัสรู้อาการทางใจรู้อาการทางใจทุกชนิดแล้วไม่เข้าไปแตะ ไม่ไม่มีผู้เข้าไปแตกไม่มีผู้เขาไปยึดได้แต่รู้ได้แต่รู้เนี่ยอย่างเนี้ยมันก็เหมือนกับเครื่องยนต์มันอนะสตาร์ทไม่ติดก็คืออย่างเนี้ยมันก็ไม่ไม่เข้าสู่ไอ้ไอ้รอบของกระบวนการทํางานเรียกว่ากระบวนการปรุงแต่งแล้วมันก็ไม่ต้องไปเข้าสู่ไอป้ปฏิจจ ա สมาบกับแล้วก็ปฏิจจาวงหวังก็ไม่หมุนมันก็เหลือแต่รู้แล้วอยู่กับรู้นะนะั่นแหละแต่อยู่กับรู้แล้วก็สังเกตเอาทีนี้ถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราไป ของเราเช็สังเกตเอาว่าถ้าเราเนี่ยมีจงใจเจตนา<ม>ตั้งใจขึ้นมานิดหนึ่งมันแน่นที่นะโอกแล้วเราถ้าเราเนี่ยปล่อยหมดมันว่างเปล่าเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกับอากาศธาตุเนี่ย<ม>แต่เราต้องคอยดูด้วยนะว่าเราไปยึดเอาลู้เนี่ยไปยึดว่างหรือเปล่า<ม>เราไปอยู่กับว่างหรืออยู่กับรู้ว่าไม่ว่าสิ้นยึดว่างก็ไม่ยึดแต่แต่รู้ว่ามันพเราไม่ไปแตกอะไรไม่ไปยึดอะไรในลู่เสียงกินรด ผลสะพ้าติีมากระทบกายแล้วก็ทำอารมณ์แล้วก็ใจมันก็ว่างเออใจก็ว่างว่างจากความปูงแต่งแต่ไอาผู้รู้เนี่ยมันกลับไปยึดว่างอีกระว่างนะเออมันไปยึดว่างนั้นน่ะไปยึดที่ว่ามันพอไม่มันไม่เป็นปูนแต่งใจมันไม่ไปแตกเออลูกรถกินเสียงต้องผัดแล้วก็ทำอารมณ์คืออายุทะภายนอกใจมันก็เลยว่างอันนี้ใจมันว่างเราก็เอาตรงเนี้เป็นที่หมายว่าเออถ้าเอาใจเราแล้เข้าไปแตะ รู้แล้วเข้าไปแตะแต่รูปแต่เสียงแต่กินแตะรถแต่สัมผัสแต่ทรอารมณ์แต่อาการของใจมันทําให้เราจุบแน่นแล้วก็ะตุ้นทึ้บทึ้บทึ้บที่นะหงนี่ถ้าเราเนี่ยได้แต่รู้ไม่แต่อะไรใจมันก็ว่างแต่เราต้องระวังให้ดีเราไม่ไปยึดอายตนะภายนอกแล้วแต่เรามายึดใจที่ว่างอืมระวังไม่ดีบ มันมายึดใจที่ว่างเพราว่าเราเอาตรงที่ใจที่ว่างเน่ยไปที่หมายเราก็ต้องรู้แต่ว่าพอใจไม่ไปยึดอายตนะภัยนอกอะไรในขณะปัจจุบันใจมันก็ว่างแล้วก็ไม่นมายึดใจอีกใจที่ว่างมันเป็นธาตุว่างแต่แต่รู้ก็สัตว์วรู้รู้ว่าใจมันว่างแต่ไม่ไปยึดใจที่ว่างไม่เป็นรักษาใจไว้ให้ใจมันว่างอยู่นั้นไม่งั้นจะยึดใจไม่ยึด อยัดระนาบไปนอกมายึดแันห้าม่ยึดรูปมายึดความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แต่มายึดใจของเจ้าของบองเราก่อนนะมันชัดเจนทั้งหมดมีอะไรอยู่ไหมที่ยั ง, ยงไม่เคลียร์เคลียร์หมดแล้ว เ, เนาะอยู่กับรู้น ะ, ะอยู่กับรู้ร<ะ>แต่อย่าไปยึดยึดไม่ยึดใส่ไปใส่ไปนอกแล้วมายึดทั้ง ขันห้าแล้วมายึดตั้งใจเจ้าของนะงแล้วแนที่ไหนไปดูไปอ่านในนั้นของหลวงตามหาบวัวเพราะแม่ครูบาอ า, า, า, าจารย์หลวงตาหมาบัวอาจารย์สัปันโนที่ท่านพูดถึงเรื่องใจเนี่ยไม่ใช่ขันห้าขันห้าไม่ใช่ใจใจมันนอกขันห้าแล้วก็พอ ใจเนี่ยมันไปไปยึดขนันหน้าไม่มีอุปทาขนขันหน้าคือมันไปนยึดทังข้างนอกด้วยอวัตวะภาย น, นอกมันก็ไปยึดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสียสีมันก็ไปยึดแล้วแต่มายึดขันหน้าอีกมันยึดขนันหน้าขันหน้าก็ไม่ยึดอีกล่ากายก็ไม่ยึดมันม่ห่วงใหญ่แล้วขันหน้าก็มายึดแล้วมันจะมายึดไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันยึดไอ้ความจําได้ไหมรู้มันยึดไอ้วิญญาณขันที่เป็นการรับรู้สัมผัสหูจมูกลิ้นกายใจ ว่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราก็ไม่ยึดแล้วไม่ย no. ึดไม่ยึดทั้งหมดเลยขาหน้าก็ไม่ยึดไม่อุปทานในขาหน้าอีกแล้วก็ไม่ยึดอายจารภายนอกอีกแต่ที่สุดแพอไม่ยึดอะไรปุ๊บใจมันอย่างที่ที่ที่หนูว่าเน่ะเชื่อแล้วจําเชื่อไม่ได้ชื่อมุยจังค่ะมุยเอออย่างที่หนูมุยว่าเนี่ยพอใจมันไม่ยึดอะไรปุ๊บหนูมุยก็บอกว่าใจมันก็เลยว่างแต่พอใจมันเข้าไปยึดเข้าไปยึดก็คือเข้าไปแตะที่หนูบอกเข้าไปแตะรูปรูปแตะรูปร รู้สัมผัสแตะสัมผัสแล้วก็รู้อาการหนงใจรู้อาการหนุนใจต่างๆเนี่ยก็ไปแตะอาการหนุนใจรู้โป่โล่เบาสบายรู้ไม่โป่งไม่โลกไม่เบาสบายก็ไปแตะคืออันไหนอาการที่ถูกใจก็ชอบอันไหนไม่ถูกใจก็ชังเรียกว่าไปแต่ไปแตกไปยึดเนี่ยตอนนี้เราก็รู้ตัวอยู่ว่าเออสังเกตถ้ามันไปโป่งแตะข้ามันไปมีเจตนามีจงใจมีความตั้งใจมีความพยายามมันเสี้ยววินาทีเดียวนิดเดียวเนี่ยน้อยนิดนิดหนึ่งอ่ะมันแน่นที่หน้าอก อันนี้ดีเป็นเป็นตัวสัญญาณบอกเห็นว่ายึดแล้ววิจารณมีตัววิตนแล้วอันนี้เราก็ละจากการยึดซะให้เร็วเลยเดี๋ยวนั่นเรียูปัจจุบันละปัจจุบันอย่างเงี้ยเรียกว่ารูปัจจุบันละปัจจุบันรูปัจจุบันละปัจจุบันอย่างเงี้ยเรียกว่าสติตั้งที่ใจรู้ที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจไปวางที่ใจอยู่ตลอดเวลาเลยอันนี้สติตั้งที่ใจรู้ที่ใจรู้ที่ใจละที่ใจไปวางที่ใจตลอดเวลาเนี่ยหรือถ้าเราไป รู้อะไรแล้วเราไปแตกปุ๊บมันแน่นมันจุกที่หน้าจุกกลิ่นลิ่นปีเลยคือทําให้รู้สึกว่ากายกับใจมีน้ําหนักเ อ, อมีน้ําหนักขึ้นมามนหรือถ้าเราเนี่ยได้แต่รู้สัแตว่วารู้แล้วไม่ไปแตกไม่ไแตกไม่ไปยึดรู้สึกว่าเออกายกับใจมันเบาม่มีน้หนักเลยเบาไม่มีน้ําหนักตอนนี้มันก็เลยแบบว่าไม่ยึดอะไรแล้วอาายตนะกไปนอกก็ไม่ยึดอลูกนวดกินเสียมกัมผัสไปยึดแล้ว แล้วก็ขันหน้าก็ไปยืดต่างกายก็ไม่ยืดอาการของกายไม่ว่าจะสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจหรือเป็นกลางๆก็ไม่ยืดไม่ยืดแต่แต่รู้แต่ไม่ยืดอ่ะมันก็เลยใจมันก็เลยว่าพอใจว่างตอนนี้เนี่ยใจที่ว่างนี่เนี่ยมันนอกขันหน้าแล้วเออมันนอกขันหน้าตามมาบวัวไปอ่านหนังตามหมาบวัวไปฟังท่านกันเลยในเรื่องนี้ใจใจเนี่ยมันนอกขันหน้าหรือขันหน้าเนี่ยไม่ใช่ใจ ใจแตกต่างจากขันห้าตอนนี้ก็พอไม่ไม่ไปยึดเอาใจไปยึดอะไรใจมันว่างกบมายึดใจรักษาใจให้มันว่างอยู่อย่างงั้นแหละไม่ให้ใจเนี่ยมันเข้าไปแตะอะไรไปยึดอะไรแต่มายึดใจของเจ้าของยึดใจให้มันว่างอยู่อย่างนั้นแหละมาให้มันบริสุทธิ์ให้มสะอาดบริสุทธิ์ให้มันมนทินมีมัวหมองเลยการมายึดใจของเจ้าของเออตอนนี้มันไม่อยู่กับรู้ใจที่ว่าง แต่มันเป็นยึดความว่างยึดใจที่ว่างน่แต่รู้ว่าใจนะมันว่างเพราะมันไม่ยึดเอออยู่ก็รู้ที่ว่าใจมันว่างเพราะใจมันไปยึดพอใจมันไปยึดมันก็ไม่ว่างไมีไดอยู่กับรู้แต่ไม่ใช่ว่าไปอยู่กับความว่างอืออย่างนก็จะยึดใจให้มันว่างตอนนี้ก็ยึดจริงๆตอนนี้แน่นอีกพอยึดว่างแม้แต่ยึดใจอยู่ว่างมีน้ำหนักเลยใจมีน้ำหนักเลยมีน้ำหนักทุกๆแน่นๆจุกๆจีนองถ้าอยู่กับรู้แล้วก็ตอนนี้ยว่างก็ว่างมันก็เลยทั้งรู้ว่า เลยรู้ว่ารู้ว่าใช่ไหมไม่ยึดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไม่ยึดรู้ไม่ยึดใจของเจ้าของไม่ยึดรู้แต่แต่แค่สัตวารู้อยู่ก็รู้สัตวารู้หรือรับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางแม้แต่ความว่างแม้แต่ใจเจ้าของรู้ใจเจ้าของก็มายึดเรียกว่ารู้ไในใจเป็นกลางผู้ใดรับรู้ทุกอย่างอย่างเป็นผูเบกขาคือรับรู้ได้ใจเป็นกลางผู้นั้นจะพ้นจากทุกทั้งปวงแล้วผู้เทศเทศลังสีกับแล้วผู้เหรียญพระลาโภท่านได้สอนเอาไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ เข้าใจนะเขใจดวงตาเจ้าขากาบเรียนถามอีกนิดนึงอย่างนี้ปกติเนี่ยเราคุยเวลาอะไรมันจะอยู่ข้างนอกใช้สังเกตอย่างนี้ได้ไหเจ้างค่ะอย่างหัวเราะอะไรบางทีอยู่ข้างนอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ปุ๊บนี่ยข้างในมันหัวเราะด้วยปุ๊บเน่ยมันจะรู้แล้วว่ามันมันทะลุเข้าไปข้างในใช่อย่างนี้จะได้ตอนนี้มันก็คือเข้าไปถึงใจค่ะใช่ทะลุเข้าไปถึงใจแล้วไหนทะลุเข้าไปถึงใจใช่ทาให้วิญญาณมีตัวมีตนใช่ ก็จะสังเกตอย่างนี้ได้ได้เราก็จะเก็บตรงนี้นะวันนี้จะสังเกตอย่างนี้เดี่ยถูกต้องแล้วให้สติตั้งใจดูที่ใจดูที่ใจรับที่ใจไปวางที่ใจตอนนี้แล้วก็อยู่กับรู้จะรู้ทุกอย่างที่ใจเป็นกลางเจ้าแผ่พอมันรู้ทุกอย่างที่ใจเป็นกลางก็มันจะทันมันหมดแล้วก็ทันสังขารทั้งหมดหลงก็เป็นสังขารลงสังขารก็จะทันมันหมดเลยเจ้าแผ่หลงสังขารมันก็จะทันมันหมดตอนนี้ก็พอเรารู้เท่าทันสังขารทั้งหมดแล้วไม่หลงแล้วไม่หลงไปยึดแล้วก็สังขารก็จะไม่บาางํแล้ว ไม่งั้นก็รู้ไม่ทานขันบางธรรมหรือว่าสังขารบางธรรมบางธรรมอยู่กับรู้เพราะแม่ครูบาอาจารย์อยู่ก็รู้ว่างก็รู้อยู่หรืออยู่ก็รู้ว่างอยู่กับรู้ว่าแล้วก็อะไรก็ไม่ว่างก็รู้อยู่มันมีมันมีทั้งว่างและไม่ว่างใจมันว่างแต่ทุกสรรพสิ่งมันล้วนไม่ว่างเพราะสังขารทั้งมวลไม่ว่างมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไป รูปเป็นสิ่งที่เ <os> กิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเสียงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปกินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรถที่มาสัมผัสลิ้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่มาสัมผัสกายผลิตภัณเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอาการของกายอาการของใจทุกชนิดไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นทุขเวทนาถ้าถูกใจก็เป็นทุกขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกขเวทนาหรือเป็นกลางกาไม่สุขไม่ทุกขก็เป็นอทุกขขมสุขเเวทนนนาอัี้ย ม, มันเป็นส language, language, table, ิ่ง oh. ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสังขารทั้งมวลสรุปแล้วสังขารทั้งมวลคือสิ่งตกแต่งทั้งมวลทั้งภายนอกและร่างกายจิตใจถึงเป็นขันธ์ห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างนี้แนี่แม้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งหมดที่เป็นสังขารเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นของไม่เที่ยม เป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรากับวิสังขารคือใจที่ว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลที่ไม่ปรุงแต่งธรรมชาติจะอยู่คู่กันตลอดอย่างนี้คือในธรรมชาติมีสิ่งปรุงแต่งคือเรียกว่าสังขารสังขารทั้งมวลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปทั้งภายอกร่างกายภายในจิตใจและกัร่างกายหรือว่าร่างกายกับจิตใจหรือรูปธรรมกับนามธรรม ขันห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปส่วนใจเนี่ยเป็นวิสังขารไม่เกิดไม่ดับไม่เกิดไม่ดับตลอดการว่างเปล่าแล้วก็เป็นธาตุรู้นั้นว่างกับรู้เนี่ยมันเป็นอันเดียวกันเป็นหนเดียวกันเพราะว่ามันเป็นธาตุรู้ที่ว่างนั่นแหละเขาเรียกว่าใจเออแลนั้นเวลารู้มันก็เลยรู้ทั้งสังขารแล้วก็รู้รู้ความว่างรู้ใจที่ว่างปล่าของตัวมันเอง มันวราก็อยู่กับรู้ไม่ยึดทั้งใจที่เป็นวิสังขารและไม่ยึดทั้งสังขารทั้งหมดแต่แต่อยู่กับรู้ว่างก็รู้ว่าใจเนี่ยมันว่างเปล่าแล้วเพราะไม่เข้าไปยึดอะไรเป็นวิสังขารตลอดการจนกว่ารอจังกว่าธาตุขันจะแตกครับไปตามการเวลาตามเหตุปัจจัยก็อยู่กับรู้ที่ว่างเปล่า <c oughs> เป็นรู้ที่ว่างเปล่าไปตลอดการเป็นอมะตะไม่แตกไม่ดับไม่ทาลายไม่มีใครทาลายได้แนมะ้แต่นิพพานเออ แต่มันไม่มีตัวมันไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายเพราะมันไม่มีตัวตนมันเป็นความว่างที่ไม่มีตัวตนตั้งแต่แรกแล้วใจไม่มีตัวตนไม่มีตัวใจใจไม่มีตัวตนไม่มีตัวใจมันเลยไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายแม้แต่นิพพานก็ทำลายไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีตัวเนี่ยมันไม่มีตัวใจใจไม่มีตัวตนมันไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายสิ่งที่เกิดดับแตกทำลายได้ได้เฉพาะสังขารเท่านัสังขารภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ทำอารมณ์ แล้วก็ขัดห้าร่างกายกับความรู้สึกคามคิดอารมณ์และการรับรู้ต่างๆของจิตวิญญาณกายใจวินญาณธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดดับเนีเป็นสิ่งที่เกิดดับสังขารทั้งหมดเป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดขึ้นตั้อยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้อยู่ดับไปเป็นธรรมดาไม่ของไม่เทียมไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราสนใจเป็นเป็นวิสังขารเป็นกองว่ารู้ว่ารู้กับว่างเป็นอันเดียวกันใจคือทั้งรู้ทั้งว่างอยู่กับรู้แล้วก็ว่างเปล่า หน่รู้ได้วใจรู้ทุกอย่างได้ใจเปกลางรู้ทั้งรู้ทุกอย่างได้วยใจเป็นกลางพอรับรู้ทุกอย่า ง, าางจ้ใจเป็นการใจมันก็เลยว่างไม่ใช่ว่าไปอยู่กับความว่างอยู่กับรู้ทุกอย่างได้ใจเป็กลางแม่แต่ว่าก็รู้ได้ใจเปกลางส่วนไม่ว่างสังขารทั้งมวลก็รู้ด้รู้ด้วยใจเปกลางวิสังขารรู้ใจที่เป็นว่างก็รู้ได้ใจเป็นกลางแล้วก็ไปรู้สังขารตรงแต่งทั้งมวลก็รู้ได้ใจที่เป็นกลางโดยสรุปแล้วคือ รู้ทั้งสิ่งปรงแต่ก็รู้ได้ใจเป็นกลาง ร, รู้ทั้งใจที่ว่างปล่าก็รู้ได้ใจเป็นกลาง ร, oh, so cool. รู้กับรู้ได้ใจเป็นกลาง <Okay. S 1> นะูดใดรับรู้ได้ใจเป็นกลางรู้ทำใจให้ถึงซึ่งความเป็นกลางผู้นั้นจะคนจับทุกทางตัวหล <Okay. S 1> ู่เทเสเต็มศีบัมเตยแล้วก็ูรเรียนวล <Okay. S 1> าโพและก็หลปูดูตโรรู้หงปูีตาัคโอยู่กรู้อยู่กับรู้ทุกอย่างได้ใจเป็นกลาง ร, <Okay. S 1> รอดีกว่าธาตุขังจะแตกดับไม่ห่วไปตามเหตเุตามปัจจัยอย่าไปกังวล อยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้เป็นรู้อยู่กับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางชีวิตที่เหลือก็ทําคุณประโยชน์ไปประโยชน์ตนก็ไม่สิ้นยิตแล้วก็ที่เหลือก็ทําประโยชน์ท่านเกื่อคุณโลกเกื่อคุณศาสนาเกื่อคุณผู้อื่นให้เขาดูทำเห็นทําให้เข้าใจเป็นธรรมกว่ากระตุ้นเตือนคน่าที่สอนได้เท่าที่สอนได้เนี่ยจะก่อนชีวิตจะห่างไหมทำประโยชน์ตนด้วยทำประโยชน์ท่านด้วย แล้วในชีวิตประจําวันอยู่กับใครอ๋ออยู่อยู่กับแม่อยู่กับแม่แม่อายุเท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบเก้าเขาก็ดูแลท่านนะให้ถึงฟังแล้วก็แล้วทุกวันนี้อยู่ไดรายได้อะไรอยู่คือมีพี่พี่ชายอะฮะแล้วก็เพก่อนเพื่อนเนี่ยเขาเกื้อกูลกันเยอะอะไรแล้วสาธุอนุโมทนาคือเป็นห่วงแก้ตรงผู้หญิงเนี่ยคือถ้าผู้หญิงมีรายได้ที่จะสามารถดูแลตนเองได้แล้วก็จบเลยเพราะว่า พอทางใจมันจบแล้วก็เหลือแต่ว่าทางโลกจะต้องให้มีรายได้พอที่จะสามารถที่จะอยู่ดูแลตนเองได้ <Yeah. S 2> เพราะว่าการหาอยู่หา ก, กินมาตอนนี้มันไม่ได้มาใช้เพื่อความร่ํำรวยแลนะ mm hmm. มันมาใช้เพื่อให้ชีวิตเนี่ยมีความเป็นอยู่ได้สำหรับผู้หญิงเพราะว่า mm hmm. ผู้หญิงไปอยู่ตามวัดวาดอารามมันก็ mm hmm. ไม่สะดวก mm hmm. แล้วก็ผู้หญิงก็ไปมีินสบายไม่ได้มันมันไม่สะดวกโดยประการต้องพวง อหากมีรายได้จนเจือพอที่จะมีชีวิตอยู่ได้สบายไม่เดือดร้อนสัวใจก็ปฏิบัติให้บรรทุกแล้วอย่างเนี้ยก็ดีเป็นสิ่งที่ดีอยู่คู่คนไปอย่างนี้เ น, นี่ยจนกว่าชีเจ้าหาไหม่เมื่อเราเนี่ยทําประโยชน์ตนจนถึงที่สุดแล้วสิ้นยึดเราก็ทําประโยชน์ท่านช่วยเหลือคือคุณผูอื่นชแนะผู้อื่นตามกําลังความสามารถของเราเท่าที่เรามีความสามารถมีบุญบารมีสั่งสมมาสอนได้มากได้น้อย เราก็สั่งสอนไปบอกไปชี้แนะไปตามที่เราปฏิบัติได้ไหนเราจำจำไม่ได้เราก็จะไปบอกเขาเราทําได้จริงๆแล้วก็บอกว่าถ้าเราทําอย่างเงี้ยเลยเห็นอย่างเงี้ยรู้อย่างเงี้ยเราทําอย่างเงี้ยเรารู้อย่างเงี้ยเราเห็นอย่างเงี้ยทําไหมล่ะอยากรู้อยากเห็นบ้างไหมล่ะอยากทําได้ไหมไหมล่ะเราก็ไปบอกเขาเรื่อยไปอย่างเงี้ยใครจะเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอาก็เป็นเรื่องของศาสนาบัรเรามีของแต่ละคนแต่เราก็บอกไปทําไปสอนไปด้วยกอนชีวิตเราจะหาไม่อย่างเนี้ยไม่อดไม่อยากหรอกคนเกื้อกูลตลอดเนี่ย ไม่มีเราหนีไม่พ้นจากในโลกนี้มีแต่คนอยากเข้าหาอย่างเงี้ยคนที่เกื้อกูลกันอื่นอย่างเงี้ยมันมีน้อยอืมันมีแต่โลกไปเป็นส่วนใหญ่คนที่เป็นธรรมก็รู้ธรรมเห็นธรรมแล้วบอกสอนกันอื่นได้ด้วยเนี่ยมันมีน้อยตอนเรารู้ธรรมเห็นธรรมบอกสอนกันอื่นได้หนี้ไม่พ้นจากโลกนี้มีแต่คนอยากวิกาหาก็ต้องอดตายหรอกไม่ว่าธรรมะ ก, กินอย่างอื่นเลยใครก็อยากให้มาเกื้อกูลขอให้ช่วยบอกเขา ห, หน่อยได้ว่า จะทำยังไงให้เขาหายจากโรคสังใจโรคของความทุกข์สังใจโรคของความทุกข์ความเครียดความยึดมันถือมั่นนี่แหละทําทยังไงก็จะหายขาหายป่วยโรคทังใจได้หมอเนี่ยแพทย์ทั้งหลายเนี่ยก็ช่วยคนหายทุกทางกายเคนก็เจ็บไข้ได้ป่วยทางกายหมอก็ตรวจรักษาใจ ย, ยาผ่าตัดโรค ก, ก็หายบ้างไม่หายบ้างโรคบางอย่างไม่ต้องรักษาก็หายเองปวดหัวตัวร้อนก็ ไม่รักษาก็เดี๋ยวก็หายเองพักผ่อนเต็มที่โรคบางอย่างท่าไม่รักษาทำไมรักษาไม่หายรักษาถึงจะหายเช่นอุบัติเหตุไฟไปอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องรักษาถึงจะหายไม่รักษาไม่หายโรคบางอย่างรักษาก็หายไม่รักษาก็ไม่หายแต่ทุบเราบันเทาไปอย่างนั้นแหละก็ไม่หายเออเกิดไปแล้วจอยู่ของมันไปจนกว่าจะถึงข่าวสิ้นอายุไขแต่เรายังไม่สิ้นอายุขัยเราก็ทำประโยชน์จนถึงทสุด เราไม่ไม่กลัวตายมาหรอกเราก็รอจึแข็งรไปถึงจนไม่ลายเต็มสมควรถ้าเขาเห็นว่าเราหมดประโยชน์แล้วเขาก็ออกไปเขาไม่เห็นว่าเราจะมีประโยชน์เขาไม่ไม่อยากออกไปอยากให้เราทําคุณประโยชน์แก่โลกแก่ผู้ศรสนาแก่ผู้อื่นคช่วเหลือเพืคุณเทวดาอิมพมยงยักษ์นาคผู้ที่เราช่วแผ่เมตตาให้ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็เช่วยเหลือเพื่อนคุณชี้แนะผู้ถ้าเขาเห็นว่าเราจะมีประโยชน์เขาก็เอาไว้พอเห็นว่าเราหมดประโยชน์แล้วเขาก็คงออกไปแล้วก็ปล่อยเขาตามเหตุตามปัจจัยของเขาไม่จำเป็นต้องพูดเดียค่ะ ไปชีวิตอยู่อย่างนี้นะจเนินชีวิตทีถูกต้องอย่างนี้ให้เป็นธรรมอย่างนี้ตามการหลอกของธรรมพอใจแล้วนั้งบอฟังของเขาเนี่ยินใจไหมละ่ะพอประชาชนพอฟังแล้วอธิบายแล้ว<ะ>แล้วของมุ้ยพยายามมาเพิ่มเติ ม, ตมอีกจริงๆพู ด, ดว่าทุกที่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นข้างในนี้นะคะเกิดจากเหมือนใจมันไม่ยอมรับตามความเป็นจริงะคะ่ะ เหมือนทุกเพราะพยายามเพราะไปคิดว่าเขาเป็นเราอยู่ตรงนั้นนะคะหลักมันคืออันนั้นที่พอพออย่างถ้าหนูตามไม่ได้บอกพ อ, อสังเกตเองก็จะค่อยๆได้เห็นว่าเวลามันสภาวะมันดีเนี่ยใจก็จะกระดีกระดามากจะ เ, เหมือนแบบ ดีใจมากแต่พอพอสุดตกอีกข้างนึงพอเมื่อไหร่ที่มันเริ่มหุดหงิดใจเริ่มไม่สบายใจก็จะผักใสเหมือนเมื่อวานมันก็จะดีซ้ายดีบขวาดีซ้ายดีขว า, ขวาแล้วก็เพราะว่าสุดท้ายเพราะมันรักตัวมันเองมากมันก็เลยจะรักษาตัวมันดีเอาไม่ดีไม่เอาแล้วก็หลงอยู่แค่จุดนี้เป็นจุดหลักค่ะ เรารู้ดีแล้วล่ะที่จบดีที่เรารู้ว่าหลงตรงไหนก็แก้ไขซะ น, นะค่ะเออแก้ไขแลว้วเอาการบ้านมาส่งเรื่อยๆอย <c oughs> จะปล่อยให้หลงนะถอาหลงแลต้องแก้ไขทันทีหลงต้องแก้ไขทันทีนะอย่าปล่อยให้หลง <c oughs> ไม่ใช่ว่าทุกใจทีมหาทีทุกใจที่มหาทีอย่างนี้ไม่ได้นะเออ <c oughs> ต้องรีบแก้ไขตั้งก่อนที่มันจะหลงให้เป็นทุกข์ <c oughs> มีอะไรอีกแม่ไม่มีค่ะอ๋อดีแล้วรู้เราบกพร่องตรงไหนก็แก้ตรงนั้นแหละ รู้บอกข้อตรงไหนแก้จังงั้นเพราะว่ามันฟังรู้เรื่องหมดแล้วนี่เดี๋วแต่แก้ไขแก้ไขสิ่งที่บกพก้อเป็นไงบ้างอ่ะเราคือเมื่อก่อนนี้เวลาพยายามมองเข้าไปในตัวรู้สึกตัวดูกายดูใจว่าเออมันคิดมันเป็งไงแต่พอพระอาจารย์บอกว่ามันไม่มีตัวเราอ่ะน่อยชอบเอาตัวเราไปเดียวไปคิดพลอยว่าไม่มีตัวเราเนี่ยรู้สึกว่า สัต่รู้เนี่ยมันจะรู้อยู่ข้างนอกข้างนอกมันจะไม่เข้าไปข้างในอ่ะเจ้าค่ะคือมันจะเห็นมันเหมือนกับอ่ะยังไงดีเหมัอนคล้ายๆที่น้องมุ้ยเขาพูดอะค่ะคือมันจะไม่มันไม่ต้องมานั่งตั้งรู้แต่มันจะรู้แบบเบาๆรู้แบบรู้ข้างนอกข้างนอกมันจะไม่เป็นกระแทกมันไม่เป็นหนักหนักที่ข้างในอ่ะเจ้าค่ะแต่ว่าแต่มันก็ต้องระวังจุดที่เถอนเหมือนกันเพราะว่าพอมาข้างนอกข้างนอกอยู่ข้างนอกข้างนอกในมางที่มัน มันจะหลายไปได้ง่ายมันต้องเหมือนกลับเข้ามาแต่ที่นี้อยากกลับเป็นถามว่าเวลาที่มันกลับเข้ามามากๆมันเหมือนกับวิญ ญ, ญาณมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วที่พระพุทธเจ้าไดนบอกว่าคนที่ที่จะดับสนิทที่น้าเจ้าค่ะก็คือวิญ ญ, ญาณต้องไม่เกิดไม่ดับใช่ไหมคะถูกต้องถูกต้องอย่างนี้เวลาที่อยูคือวิญ ญ, ญาณไม่เกิดไม่ดับก็เลยเป็นวิ ญ, ญญาณธาตุ<อ>เป็นธาตุรู้ตามธรรมชาติ แล้วที่ที่ยอมหน่อยเหมือนเหมือนของน้องมุ้ยจงที่ว่าเวลาบางครั้งที่มันมองกลับเข้าไปมากๆมันเหมือนกับในหนีตัวตนมันเหมือนมีวิญญาณตั้งรู้ไปก็เลยจะปล่อยออกมาแบบเพราะมันไม่มีตัวตนเราอยู่แล้วเราก็เลยปล่อยออกมาสบายๆเห็นยังไง ร, รับรู้ยังไงก็รู้แล้วก็วางไปอย่างนี้ก็พอได้ใช่ไหมเจ้าค่ะวันนี้มันวางแต่ข้างนอกอ๋อ เมันวางแต่ข้างนอกแต่มันไม่วางข้างในอ๋อจิตใจยังไม่รับรู้เออมันมันมันคือมันรับรู้อาการในใจข้างในด้วยทุกชนิดแต่แต่มันเนี้ยก็ได้แเหมือนกับรับรู้อาการของใจเหมือนกับรับรู้รู้เสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกที่เราไปรับรู้นั่นแหละคือรับรู้ด้วยใจปีนกลางตอนนี้ยเราเนี่ยอยากให้มันรู้แต่ข้างนอกไม่ให้เขาไปรู้ข้างในมันเลยมีกิเลสปัญหาตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นตัวเป็นตนเพราะว่าเขามีตัณหามก็เลยมีอุปทาน ในเราเนี่ยอยากเจอให้มันรู้แต่ข้างนอกไม่ให้เขาไปรู้ข้างในว่าเราเข้าใจว่าถ้าเขาเปนเข้าไปรู้ข้างในแล้ววิญญาณมีตัวตนแต่การถ้า เ, าเราเราแค่สัตแต่วรู้ประตูใจเนีย่ยวิญญาณจะไม่มีตัวตนแต่เราเกิดมีความอยากเขา้าไปอยากให้มันรู้แต่ข้างนอกแล้วมันไม่ให้มันเข้าไปรู้ข้างในใจแม่รู้ที่ประตูใจพอเรามีความอยากเข้าไปคนอย่างเงี้ยมันก็เลยไปกินเนตรตั้หาพอพี่ใหญ่ตีหามก็เลยเป็นอุปทานไปพบเป็นชาติ วิญญาณก็เลยมีตัวตนหรือถ้าเราเนี่ยในยาการอในภายในใจเราที่เกิดขึ้นอาการทางกายอาการทางใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวทนาสบายกายไม่สบายกายสบายใจไม่สบายใจไม่ว่าใจจะผ่องใสใจจะเศร้าหมองเนี่ยมันเป็นอาการทั้งหมดเลยเป็นอาการของใจไม่ใช่ใจมันเป็นอาการของใจหรือเรียกว่าเงาของใจใจก็เปียดเหมือนตัวเราเนี่ยส่วนเงาก็เป็ดเป็นเงาของเราเนี่ยเราจะไปหลงเงาย้อนหน่อยมักจะย้ําไปบอก ไอ้นี่มันขันห้าไม่ใช่เราอย่างเงี้ยมันก็ยังเหมือนมีว่าเออไม่ใช่เราขันห้าไม่ใช่เราหน้ามันยังมีเหมือนบางครั้งมันมีเหมือนย้ำว่าเออไม่ใช่เราไว้เนี่ยขันห้าไม่ใช่เราจะไปยึดเอาใจเป็นเราใจเป็นตัวเราตัวเราเป็นใจใจเป็นของเราแล้วก็ใจของเรามีตัวมีตนมีตัวใจใจมีตัวมีตนมันไป็นพลาดตรงเนี้ยมันก็เลยว่าพอมีตัวเราเนี่ยเอามาใจเอาขันห้ามาปรุงแต่งเป็นตัวเรา พอใจมันปรุงแต่งไม่ได้ใจธรรมดาแท้ๆมันได้แต่รู้เออตอนนี้พอมันเอาขันหน้ามาปรุงแต่งก็ปรุงแต่งเป็นตัวเราเราไม่ได้เอาใจมาปรุงได้เราก็ใจเป็นวิสังขารปรุงแต่งไม่ได้วิสังขารก็ปรุงแต่งไม่ได้หรือเป็นอาสังคตธาตุเป็นธาตุที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งมันได้แต่เราเนี่ยไปเอาขันหน้าทีปรุงแต่งได้มาปรุงเป็นตัวเราเราก็เลยอยากให้มันรู้แต่ข้างนอกแล้วก็ให้รู้แบบเบาๆให้ใจเบาๆจริงๆรู้ข้างนอกแต่ยึดข้องหนยึดให้ใจเบา ยึดรู้ข้างนอกแต่ยึดใจข้างในเบาๆอันนี้ผิดแล้วคือไปมันไปรู้อะไรทําใจเบาๆรู้อะไรทําใจสบายๆว่างๆรู้อะไรทําใจเบาๆรู้อะไรทําใจว่างๆนิ่งเฉยเยอันนี้ไม่เป็นอุเบกขาอันนี้มันเป็นปุงแต่งอันนี้มันเป็นปุงแต่งยึดถือเออมันยึดถืออันนี้เรามันทาให้เราเนี่ยคือมันสติปัญญาไม่เฉลียวฉลาดไม่ป่าเปียวเห็นอะไรได้ยินอะไรก็ไม่รู้จักวิเคราะห์เอามาวิเคราะห์ว่าอะไรมันมันใช่ไม่ใช่อะไรมัน อะไรมันถูกมันผิดมันดีมันชั่วมันวนปล่อยวางควรควรที่จะทําความเข้าใจซะก่อนมันก็คือปล่อยหมดเลยอ่ะแต่แต่รู้อะไรแล้วปล่อยผ่านใจสบายนิ่งว่างเฉยรับรู้อะไรครับตาขอจะบุรินทรกใจปล่อยผ่านใจสบายนิ่งว่างเฉยอย่างนี้ไม่ถูกนี้มันผิดมันนี้เป็นยึะขนาดนั่นเจ้าค่ะแต่ว่าพอมองไปเนี่ยมันก็ให้ดีกว่าสังขารเมื่อวางกวางแต่เราไปยึดใจที่มันเบาๆอรั คือคอยมันรับรู้อะไรให้ใจมันเบาๆไว้รู้สึกว่าถ้ามันเข้ามารู้ภายในในประตูใจเนี่ยแล้วมันหนักนมันทุก่งมันรู้สึกว่าปิญญาณมันมีตัวตนเราเลยพยายามล็อกมือฝืนอยู่เต็มที่จนความเต็มกํำลังความสามารถของเราว่าเราอยากให้มันรู้แต่ข้างนอกด้วยใจเบาๆเราก็อยากให้มันเข้ามารู้ภายในตัวเรามันทําให้เราเนี่ยรู้สึกแน่นอึ้นแต่ความจริงเมันไม่ใช่ว่าพอรู้เข้ามารู้ในตัวเราแล้วมันแน่นอึ้นแต่เพราะเราอยากให้มันรู้แต่ข้างนอก มันไม่ให้อยากให้เข้ามารู้ข้างในเพราะเรารู้ว่าเราคิดเราไปปรุงแต่งผิดว่าถ้ามันเข้ามารู้ข้างในใจเราที่ที่ประตูใจแล้วเนี่ยมันทําให้วิญญาณมีตัวมีตนเราเลยอยากให้มันรับรู้แต่ข้างนอกแล้วก็ไม่อยากให้มันเข้ามารับรู้ข้างในใจเราประตูใจเพราะเราอยากจะรรู้ข้างนอกมันก็เลยเป็นกิเลสตัณหาคือไม่อยากให้มันเข้ามารับรู้ข้างในเหต่ที่เราไม่กเข้ามาอยากรับรู้ข้างในคือเราไปปรุงแต่งผิดว่าถ้ามันเข้ารับรู้ที่ประตูใจเนี่ย มันจะวิญญาณมีตัวตนสองเราสังเกตเอาว่าถ้ามัรับรู้แต่ประตูภายนอกไม่ค่ามารับรู้ประตูใจภายในเนี่ยใจมันจะเบาๆความจริงเนี่ยเรายึดใจที่เบาไว้เราไม่ยึดขันห้าแต่เรายึดใจที่เบาใจที่ว่างเอาไว้ระหว่างที่จะบอกมุ้ยเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าระว่งางจาพลาดนะ คือไม่ไม่ยึดภายนอกแต่มายึดใจที่เบาๆว่างๆไว้รับรู้อะไรในใจเบาๆว่างๆรับรู้อะไรในใจบเบาๆว่างๆอย่างนี้ไม่ใช่รับรู้ได้อุเบกขานะมันรับรู้ในความยึดรับรู้ในเบกขาคือว่ามันก็รับรู้ได้ใจเป็นกลางไม่ว่างมันก็รับรู้ได้ใจเป็นกลางเพราะว่าไม่ว่างคือสัารปรงแต่งให้ว่างคือวิสังขารคือความไม่ปรงแต่งรับรู้ตั้งสังขารและวิสังขารด้วยใจเป็นกลางแต่ถ้าเราไปยึดเอา รับรู้ได้ใจเบาๆว่างๆรับรู้ด้วยใจเบาๆว่างๆอย่างเงี้ยมันยึดเออมันยึดมันยึดใจไม่ยึดขหน้าแต่ยึดใจพอไปยึดปุ๊บเป็นเพราะอะไรเราก็เกิดความดิ้นรนทะยานอยากอยากให้มันรู้แต่ข้างนอกไม่ให้มันเข้าไปรู้ข้างในรู้ที่ประตูใจเดี๋ยวมันจะแน่นเดี๋ยวมันจะจุกมันจะอึดอัดมันจะทําให้ใจมีน้ําหนักทําให้วิญญาณมีตัวมีตนเราพยายามล็อกฝืนมันจะสูญความสามารถให้มันรู้แต่รับรู้แต่ข้างนอกแต่จริงๆอ่ะที่ใจมันแน่นใจมันหนักใจมันทึก ใจมีน้ำหนักหรือว่าวิญญาณมีตัวตนก็เพราะเรามีตัณหามีกิเลสตัญหาคืออยากไม่ให้มันเข้าไปรู้ที่ประตูใจอยากให้มันรู้แต่ข้างนอกใจเรามันจะได้มันเบามันว่างมันไม่มีน้ำหนักไอ้กิเลสตัณหาตัวเนี้ยที่เราเนี่ยไปยึดว่างยึดเบายึดใจเนี้ยมันก็เลยแา้แท้มันก็เลยมีน้ำหนักเลยมีอุปทานเป็นความคิดบ้านรือบ้านเลยมีภพมีชาติวิญญาณก็เลยมีตัวมีตนวิญญาณมีตัวตนมีน้ำหนักก็เพราะว่าเราไปยึดมีกิเลสตัณหา ผ่านรับรู้สัตว์ปรวัาิรัรู้ได้ใจเป็นกลางที่ประตูใจ อ, อ่ะเออมันก็ไม่มีอะไรมันได้จะอยู่กับรู้ที่ว่างก็เพราะว่ารู้กับว่างมันคือใจอันเดียวกันยมเหาะก็ต้องไปดูว่าเอาอพอต อ, อ, อนี้น้ำํำมันมีน้ําหนักะที่ประตูใจใช่ไหมใช่ค่อะอย่าไปดูตรงนั้นหนักก็รู้ได้ใจเป็นกลางว่างรัรู้ได้ใจเป็นลกลางอย่าไปไปยึดตัวที่ประตูใจให้ใจมันว่างหนักก็รู้ว่ามันหนัก เนอหนักก็มันไปเหตุว่ามันเป็นสังขารไม่เที่ยนมันเป็นของปรุงแต่งอยาเข้าไปยึดมานไปยึดปุ๊บมันจะเป็นอุปทานเป็กิเลสตัณหาแล้วก็เป็นอุปทานยึดปุ๊บเป็นภพเป็นชาติทําให้มนญญาณมีตัวตนแต่ถ้าสัตว์แต่ว่ารับรู้ว่ามันหนักมันทึบมันตื้อมันปรุงแต่งเราก็จะเข้าไปยึดมานพอไปยึดใจมันก็เลยว่างใจว่างก็จะไปยึดใจอีกเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นวิสังขารจะไปยึดสังขารและวิสังขาร เพราะว่าการที่ยึดพิสังขารได้มันต้องเอาขันห้ามันยึดไอ้ใจมันยึดตัวเพลงไม่ได้แล้วเพราะว่ามันปรุงแต่งไม่ได้มันต้องเอาไปเอาขันห้ามายึดตัวมันเราก็เลยผิดพลาดหลายประตูัข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจจ้าค่ะเออมันมันว่างก็สับปว่ารู้ว่าเพราะมันมันปรุงแต่งอะไรขึ้นมามันมีมันมีสังขารอะไรปรากฏก็เห็นว่ามันเป็นสังขารเพราะมันไม่เป็นยึดสังขารใจมันก็เลยว่างว่างก็รู้ว่าเป็นพิสังขารเป็นใจที่เป็นพิสังขาร ก็ไม่ไปยึดใจอีกคือสรุปแล้วเคื่อได้แต่รู้ทั้งสังขารและวิสังขารไม่ยึดรู้ทุกอย่างได้ใจเป็นกลางอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่ารู้ได้กว่าเป็ดุเบขาไม่ใช่ทําใจให้มันเฉยเฉยนี่เฉยเฉยยิ่งจะทําให้เราเนี่ยพ่อแม่ครูอาจารย์เราจะดุมากเลยครับปูววป่ ว, ว่านปู่ว่าเก็บมาโกทีเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์เรานีท่านจะดุมาก ทามันใจเฉยๆนิ่งๆรู้เลยได้ใจเฉยๆใจว่างๆใจเฉยๆใจนิ่งๆใจเบาๆเงี้ยอย่างเงี้ยมันซื่อบื้อปฏิบัติแบบโง่ดักดานโง่แบบดานแล้วอย่างเงี้ยจะปฏิบัติให้โง่แบบเนี้ยไปกี่ภพบี่กี่ชาติไม่มีสติปัญญาเลยว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันอย่างเงมันไม่ได้ปล่อยวางมันไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้มันไม่รับไม่รับรู้อะไรแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วปล่อยวาง ร่วมเป็นสังขารร่วมเป็นวิสังขารแล้วร่วมไปยึดอะไรมันแน่นเลยจุกจุกอึดอัดแน่นใจมีน้ำหนักกายมีน้ำหนักเออถ้าไม่ยึดอะไรได้แต่ได้แต่รู้ไหมเขาเป็นแต่อะไรใจมันก็เลยว่างใจก็เบารู้ว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลว่ายึดจะไปเป็นเหตุแห่งความทุกข์เลยทําให้แน่นจุกอึดอัดวิญญาณมีตัวตนถ้าไม่ยึดใจมันก็ว่างเลยกระเป๋าเพราะว่าไม่ยึดรู้ว่าอันนี้มันเป็นอันนี้มันเหตุก็คือไม่ยึดไม่ยึดมันก็เลยว่าง ยึดมันก็เลยไม่ว่างแล้วก็รับรู้มาด้วยความไม่ยึดมันก็เลยว่างตลอกไปก็เลยแต่อยู่กัรู้ที่ไม่ยึดมันก็เลยว่างตลอดไปเพราะตอนที่พระเจ้าอยู่หัวท่านท่านสี่ฮะเจ้าค่ะพ <c oughs> ูดง่ายๆคือแบบก็ร้องไห้กันในกันแต่ละบางคนก็บอกว่าคนปฏิบัติการของเราบองบอดเนี่ยผิดแล่าหลงสังขารอ่าในนี้ยียมหน่อยก็บอกว่าคนนี้อ่ากรู้ว่าเขาสังขารบังคับขเขาไม่ได้เขาเซอร์ซันเห็น เห็นถ้าคนพระเจ้าอยู่หัวเราก็เสียใจอะไรเงี้ยก็เขาเป็นสังขารเขาก็เลยร้องของเขาเองก็เลยยังงงๆแต่ว่าพอพอบ่อยๆเขาพอเขาร้องไห้พอเขาเราริ้นขึ้นมาพอเห็นพระเจ้าอยู่หัวในภาพแล้วเราลื้อขึ้นมาเราก็รู้รู้แล้วเดี๋ยแล้วมันก็หายไปอารมณ์นั้นน่ะค่ะจุลงไปแล้วไหมเอารู้ตัวทันก็หายไปแต่มันลงไปแล้วมันอยู่คนเดียวหลงมากนะหน่อย อยู่คนเดียวเนี่ยหลงมากหลงตงแต่งมากยางหน่อยจะระวังเพราว่าท่านอุศลไม่ตัดเตือนแล้วว่าพยายามอยู่อยู่คนเดียวเนี่ยหน่อยน่อยอยู่คนเดียวเนี่ยลงจะหลงแต่งเยอะอยู่อจะพยายามถ้าเป็นห่วงเว่าะเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวจะยังยังหลงแต่งอยู่คนเดียวหลงตงแต่งมันจะทำให้คุ่งซานอยู่กัความพุ่งซ่านอยู่กับรู้นี่อยู่กับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางยหน่อยจะพยายามนะยอมหน่อยจะ้าคุณที่คอยเตือนยอมหน่อย จะได้ทิ้งบ่อยๆจะได้จะไ ด, จะได้จะได้รู้บ่อยๆโจค่ะเอออย่างนั้นเนี่ยคอยจดคอ ย, อยจำคำเตือนเราโจค่ะผู้หญิงมันอยู่วัดอยู่วังลําบากน่นเนี่ยอยู่บ้านตัวคนเดียวจะดีมากเลยดูกกับพ่อแม่ก็ดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าจนสินยอยู่ไขต่ตอบแทนคุณท่านได้ดีอะไรไม่เท่ากับให้พ่อแม่ได้พบพบพบประทับ เออพ่อแม่ยังไม่เคยปฏิบัติก็ฟังฟังบ้างพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไอพุทโธหมายถึงว่าพุทธพุทโธหมายถึงว่าทำพุทโธมันเป็นพระพุทโธพุทโธพุทธิดามารดาพุทโธพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พุทโธคือตัวเองเนี่ที่สางทำความดีมาสร้างบุญบารมีมาหกอย่างนั้นมันรวมลงในพุทโธพุทโธพุทโธพรพุทธคุณพพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณมิดามารดาคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มีพระคุณผู้คนรับถือแล้วก็ บุญของคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติปฏิบัติรำมาบาระะมีสิบเนี่ยละบาปเป็นบุญแล้วรักษาใจให้สะอาดโดยสุดจบทั่งถึงที่สุดแห่งการสิ้ความยึดฝันถือมันวันนี้คุณความดีที่เราทํามาแล้วทั้งหมดเนี่ยเราประกับตัวเราเองได้เป็นพระปวดใจซะอยู่บ้านวันนี้ก็บวชใจปวดใจให้เป็นพระให้ใจเนี่ยเป็นพระพุทธใจเป็นพระธรรมใจเป็นพระอริยสงฆ์เออใจเป็นพระอรหัน ใจเป็นพออาระอรหันต์อยวเข้าไปยึดอะไรรับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางใจเป็นพระพูดใจเป็นพระจำใจเป็นพระรักใจเป็นพระอริยสงฆ์ใจเป็นพระอรหันต์ไ อ, อาาน้ น, ออาา น, น้องมาคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์คุณของบิดามารดาคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณมีพระคุณบุคคลรอบนับถือแล้วก็คุณบรารมีคุณงามความดีที่เราได้ทำมาแล้วทั้งหมดบรารมีสิบแล้วก็ละบาปเบ็มสัพพะปาปัสสะการงานการไม่ทันกำชเชออีกต่อไปแล้ว ตนนึกเสียใจถึงกรรมชั่วช้าที่ได้ทาปิดมาปิดสิปิดทำมาข้อสองก็บูรณาลุ่มรับธรรมปทาการทำบุญส่วนให้ถึงพรสิที่ผู้ดี่ําดีทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่าข้อสามประสาทิตามประโยชน์ถ้าปัญหาการชําระจิตของตนให้จะอาบไปสุดจากกิเลสปัญหาเชื่อมซ่อมของทั้งหมดเหตุตามพุทธานศาสนาสามสามอย่างนี้คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นึงถึงคุณงามความดีอันนี้เนี่ เอามารวไมไว้ในพุโทธโทธพุทโธพุทโธที่ใจแล้วก็อยู่กับรู้รู้น่นแหะคือพุโทโธคือพุท ธ, ธะนะั่นส่วนคํำบริการพุทโธเป็นคำสมมุติที่ละน้อปรามาณึงพระพุทธเจ้ามันเอามารวไมไว้ที่ใจที่เป็นผู้รู้เอามารวไมไว้ที่รู้รู้ทุกอย่างได้ใจเป็นกรานั่นแหละคือพุโทโธธรรมสังโฆพระนิพกานพัฒนาหาัยนยินดีนะพุทโธนั่น แลก็สอนให้พ่อแม่ไม่เข้าถึงธรรมยังไม่ได้ก็พุโทโธพุโทโธไปอยู่การเราก็อยู่รวมหญิงมาอยู่ตัวคนเดียวในดีแล้วอยู่อยู่บ้านก็ปฏิบัติเข้าให้อยู่กับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางอย่าไปอยู่ความพุ่งสร้างอยหลงเข้าไปเป็นสังขารตกแต่งนะนั่นอยู่อย่างนี้เนี่ยอยู่วัดมันก็ไม่สะดวกมันสบายหรอกเพราะว่าคนมันเยอะไม่สงบแล้วก็มันก็ฟุ่งสร้างปิิบาลก็ไม่ได้ผู้หญิง อยู่วัดก็ลําบากแล้วก็ต้องช่วยหลตัวเองทุกอย่างเรื่องอนจับจ่ายใจสอยก็ต้องใช้ของตัวเอ ง, องมาประอบว่ดเพราะั้นไม่สะดวกเลยสําหรับผู้หญิงถ้าอยู่บ้านั่นแหละตัวคนเดียวยิ่งดีใหญ่เพราะว่าอยู่ตโตก็อยู่บ้านหากเราอยู่บ้านเราหยู่ทําการหมู่คณะแต่เราไม่มีกิเลสตัณาเป็นเพื่อนเรียกว่าสงบแต่แม้อยู่บ้านตัวคนเดียว แต่มีกิเลสตัณหาเป็นเพื่อนหลงไปทำการคุ้มแต่งทั้งวันอันนี้เรียกว่าไม e ่สันโดษไม่สันโดษแม้แต่อยู่ตัวคนเดียวแต่มีกิเลสตัณหาเป็นเพื่อนเรียกว่าไม e ่สันโดษแต่เนีแย่มากต้องอยู่ตัวคนเดียวอยู่กับรู้ได้วยใจทุกอย่างได้แยใจเป็นกลานที่จะเรียกว่าสันโดษแม้แต่ในทําการผู้ปฏิบัติธรรมด้วยกันก็เรียกว่าอยู่กับรู้ด้วยใจเป็นการก็จะเรียกว่าสันโดษแม้แต่อยู่กับอยู่บรรดาที่ประพฤปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าสันโดษ อยู่เป็นตัวคนเดียวจะกับมีกิเลสตัณหาเป็นเพื่อนหลงุูงแต่งทั้งวันอย่างเงี้ยไม่เรียกว่าสันโตนเนี่ยเพราะจะมีกิเลสตัณหาเป็นเพื่อนให้คอย่างนี้นะอย่าหลงพุูงแต่งทั้งวันหน่อยอยู่รู้อยู่กับรู้จะเจ็บปิงจ้าอย่าปล่อยเป็นสังข า, จารจำคําสอนลงตาให้ดีแต่ยังอยู่กับลูกไม่ได้หลงหลงลมๆก็อ่านไลน์ให้ละเอียดตาแชร์ไปทั้งทุกวันประจาฟังซีดี ฟังคําสอนที่มันนอกซีดีอยู่ในลไลน์มีเยอะใน youtube แล้วก็คําสอนนอก y o ยูทูบมันอยู่ในเนี่ยที่อ่านไปนี่ก็เอาไปส่งต่อส่งขึ้นไปเรื่อยๆไม่ได้ส่งไปไปยูทูบแต่มันก็ส่งไปในไลน์เราไม่ได้ไปเซฟเก็บเอาไว้แล้วก็ฟั ง, ฟ, งนะฟังเนี่ยเลยฟังเพื่อสกิดเตือนใจเอาคําของหวตาคําของอาจารย์ก็จะกิดเตือนใจเตือนเตือนเตือนเตือนเตือนไม่ใช่หรอเอาแต่ฟังจะไม่ปฏิบัติบ่อยฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆ หลงสังขารทั้งวันอย่างนี้ก็ไม่ถูกฟังไปด้วยสติก็ตั้งที่ใจดูที่ใจดูที่ใจละที่ใจไปว่าที่ใ จ, ใจรับรู้ทุกอย่างในใจเป็นกลางโดยเฉพาะประตูใจใจเข้าใจไหมลนะ่ะกอให้คุณพาคุ้มครองนะให้แขวงก้าวปลอดภัยเดินทางและรอบปลอดภัยแล้วก็จะเป็นทางลายจักรนเส้นทางของการเดินทางและเส้นทางของชีวิต